เดี๋ยวต่อไปศึกษาพระธรรมกันต่อเนีนีศึกษาพระธรรมเออพอพูดถึงในเรื่องของในด้านของกุศลศีลเนี่ยนะพูดถึงในเรื่องของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนวีติกมาศีลข้อปฏิบัติในเรื่องของศีลที่พระบรมศาสดาทรงวางหลักคําสอนเขาไว้เนี่ยให้ทราบบอกว่า ก, า, การปฏิบัติในศีลเนี่ยนะท่านก็พูดถึงในเรื่องว่า การสมาทานการไม่ก้าวร่วงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่าเนี้ยนะและอย่างหนึ่งก็คือศีลทั้งสองประการที่ท่านพูดเอาไว้ในเรื่องของวาริตศีลแล้วก็จารีตศีลการเดินจารีตศีลเดินวาริตศีลต่างๆถ้าเรามองกันอย่างนี้ว่าในชั้นของการเดินทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลทั้งหลายที่กล่าวเนี่ย ถ้พูดถึงทางด้านของสีระณะคือการที่ทํากายกรรมวิยียกรรมเป็นต้นเหล่านี้นะไม่ให้เกินก้นไม่กระจายกระจายใช่ไหมลักษณะแรกนั้นเป็นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทําว่าอุปธาระนังนะก็หมายความว่าศี น, นั้นทรงไว้ซึ่งสภาพของกุศลธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นกุศลศีลคือกิจของกุศลศีลก็กําจัดความทุศีลเป็นลักษณะเป็นเป็นกิจ อาการปรากฏของศีลผลปรากฏแห่งการที่ศีลนั้นเจริญล่อกงามก็คือดูตรงไหนดูตรงกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดเหตุใกล้ของกุศลศีลก็คือหิริและโอตปาความระอายต่อบากความเกรงกลัวต่อบาดอันนี้ท่องได้แต่เกิดจริงหรือไม่ท่านทั้งหลายไปตรวจสอบใช่ทำยังไงจะทาให้หิริหิริโอตปามีกาลังกล้าทำยังไงหิริโอตปะจะเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไร เขาละไรก็เอาโยนิโสเรื่อยเลยอะไรเป็นเหตุใกล้ของยิริอัตปะยมบาวัตอะไรเป็นเหตุใกล้ของความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปถ้าเขา ถ้าฮิริก็มีอะไรฮิรินี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้เคารพตนไงใช่ไหมโอตะปาก็เคารพผู้อื่นใช่ไหมไอ้เคารพตนนี่เคารพยังไงความละอายเนี่ยนะสภาพธรรมที่ละอายต่อกายทุจริตละอายต่อวจีทุจริตละอายต่อมโนทุจริตชื่อว่าหิริฮิริเป็นชื่อว่าความละอายเพราะสภาพที่มีความละอายต่อ การที่ตนเองจะต้องไปตกละกรรมลำบากเนือ้อละอายต่อการที่คนเช่นเราไม่ควรประกอบกายทุจริตไม่ควรประกอบวจีทุจริตไม่ควรประกอบมโนทุจริตนั่นแหละทุจริตต่างๆเหล่านั้นมาจากความว่าฮิริคือความเคารพตนเองส่วนอนุตปาณิเคารพ บ, บุคคลอื่นนะก็คือสภาพที่กลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะกลัวต่อผลด้วยผลของการกระทําเป็นต้นเหล่านั้นด้วย นั่นแหละคือเป็นเรื่องของฮิริโอทปะต่างๆเหล่านี้จึงเป็นแรงกระตุ้นเตือนที่จะทําให้ตัวกุศลศีลนั้นเด่นชัดในใจมากขึ้นใช่ไหมตรงนี้ก็พยายามขับเน้นให้ตัวความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปให้เกิดขึ้นมากๆก็คิดถึงว่าคนเช่นเราไม่ควรประกอบกายยัุจริตวจีจโโทุจริตแล้วก็มโนทุจริตและเมื่อเราประกอบกายยัตุจริตวจีทุจริตแล้วมโนทุจริตเป็นต้นเหล่านี้ นอกจากถูกกระแสะข้างนอกเขาตำหนิตีติงแล้วไม่พอนะผลของความเจ็บปวดที่จะต้องไปลงอบายทุกขติวิบัติในโลกหรือจะต้องวิบัติทั้งหลายเหล่านี้ก็เอาแรงผลักดันสองตัวนี้กระตุ้นเตือนเพื่อทำให้กุศลศีลนั้นแข็งแรงขึ้นพระบรมศาสดาสแสดงทานนักถาศีลกถาเมื่อสแสดงทานนักถาศีลกถาเบดเสร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยผลของทานกุศลศีลของผลของศีลกุศลเหล่านี้ เมื่อสามารถเจริญได้อย่างต่อเนื่องตอนนั้นกาลังขัดเกลาจิตใจของบริษัทคือาสกบาสิกาบริษัทเป็นต้นเหล่านี้แล้วพระศ า, ศาสดาก็ชี้อนิสงฆ์ว่ามีผลมากมีอนิสงฆ์มากอย่างไรทั้งทานและศีลที่บอกว่าได้ค้าราาบุรีมหาศาลก็ได้ได้พรามณามหาศาลกษัตริย์มหาศาลนี่ไหมก็มาจากทานกุศลศีลกุศล หรือได้จาตุมหาลาชิกาในสมบัติในจาตุมหาลาชิกาเตาติงสายามาดูสิตานิมานรดีปรานิมิสสวัสดีทั้งหลายเหตุที่ได้อัาภาพามีความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแล้วก็ได้เทวสมบัติได้บริวารสมบัติทรัพสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์ทั้งหลายผลต่างๆเหล่านี้หลั่งไหลามาจากทานนกุศลและก็ศีลกุศลท่านเลยอุปมาเหมือนการประดับตกแต่งช้าง ไม่ได้ช้างตัวหนึ่งแล้วเนี่ยพราสดาก็บุรุษก็ตกแต่งช้างให้ดูให้เห็นความสวยงามว่าช้างไม่ช้างเนี่ยไม่งดงามเลยสามารถจะชำระศาสาร์ให้งดงามแล้วก็ใส่เครื่องประดับประดาได้อย่างสวยสดงดงามแม้ฉชั้นใดพระพรมศาสดาก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันปรุงแต่งทานกุศลแสดงทานกถาศีรักถานั้นน่ เพื่อให้จัดสัตว์ทั้งหลายนั้นได้เห็นผลของทานผลของศีลแล้วก็โทษของการไม่มีไม่มีทานอกุศลไม่มีศีลอกุศลเนี่ยก็ให้เห็นอธิสงอย่างหลากหลายว่าถ้ามองในชั้นของบอกว่านี่ชั้นคําสอนจักรพัฒ ส, สมบัติมนุษย์สมบัติจักรพัฒ ส, สมบัติสักกะสมบัติมารสมบัติพรมหมสมบัติแล้วก็ชี้ไปสูงสุดเลยนะว่า สาวกบรมีญานปัจเจกโพธิยานสัมมาสัมโพธิยานทั้งหลายก็มาจากทานมาจากศีลเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็ขับเน้นตรงนั้นแต่ในชั้นของการเดินทานาาาานักขัตีและถานี่ท่านบอกอนิสงส์ว่าอายุเท่าไหร่แต่ละชั้นแต่ละชั้นบอกมากมายเทีบยบไขอายุให้ดูเลยว่าอายุของมนุษย์แต่ละยุคมาจากทานกุศลศีลกุศลเป็นอย่างไรในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานนรดี ปารานีมิสวาสวัสดีเป็นต้นเป็นอย่างไรถามว่าเทวดาให้สังเกตในสูตรหนึ่งนะในอนาถาปินที่โกวาทสูตรตอนที่ท่านอนาถาปินทีกาเศรษฐีท่านเดินทานกุศลศีลกุศลค่อนข้างครบเครื่องว่าท่านเป็นพระอริยะเนี่ยท่านไปเกิดในชั้นดุสิตพอไปเกิดในชั้นดุสิตเนี่ยท่านก็มีสติระลึกเลยว่าโอ้โหงดงามป่านนี้มาจากบุญอะไรเนาแหละท่านที่มีอัตภาพงดงามขนาดนี้มีสมบัติงดงามขนาดนี้ มาเกิดมาเป็นสหายในชั้นดุสิตเนี้ยได้ท่านก็เลึอกเลยถึงอดีตได้โอ้โหมาจากที่ท่านถวายเชตาวันนะั้นน่าเลื่อนลมถวายแด่พระบรมศาสดาพระธรรมและพระอริยสงฆ์เพราะท่านคิดอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วอยากกันนั้นเลยท่านจะรีบกลับไปชื่นชมใช่ไหมไปกล่าวไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจด้วยนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือไปบูชาพระาศาสดาไปกล่าวชื่นชมพระธรรมแล้วก็โดยเฉพาะไปชื่นชมพระสงฆ์เพราะท่านต้องการยกย่องภาษาลิบุตร ว่าเป็นผู้มากด้วยปัญญาเป็นต้นด้วยถ้าท่านก็ลงมาปรากฏมาเฝ้าพระบรมศ า, ศาสดาใกล้ลุ่งแล้วพารนาพระพุทธเจ้าพารนาความงามของเชตาวันก่อนแล้วพารนาคุณของพระพุทธเจ้าพารนาพระธรรมดีอย่างไรเป็นต้นแล้วก็พารนาภาษาลีบุตรเนยแล้วก็พูดถึงในเรื่องของชีวิตเป็นต้น น, นะจ๊ะแม้ว่าในคําสอนตรงนี้กล่าวว่าอะไรนะที่บอกว่าพูดเรื่องศีลใช่ไหมพูดถึงในเรื่องของ สรุปคําสอนตรงนี้นะคือท่านมาสารเสริญอริยมรรคมีองค์แดมามาสารเสริญสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวสัมมาวิมภาัมมาสติสัมมาสมาธิว่าอะไรเป็นวิชาอะไรนะวิชากรรมังวิชาชีวิตอยะไรนะชีวิตที่อุดมทั้งหลายอะไรเนี้ยก็คือสรุปเป็นสองในยะในชั้นของอริยธรรที่ท่านขยายไว้ ท่านก็ขยายเบ็ดเสร็จออกมาก็คือมรรคแนั่นเองเมื่อท่านขยายเบ็ดเสร็จท่านก็บอกว่าในบรรดาภาษาลีบุตรในบรรดาภิกษุทั้งหลายที่มีปัญญามากไม่มีใครเกินภาษาลีบุตรภิกษุสงฆ์นะถ้าจะยิ่งไม่มีใครยิ่งภาษาลีบุตรนะน้อยกว่านั้นมีแต่มากกว่านั้นไม่มีแล้วท่านเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็กราบพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็อันตรธานท่านก็กลับไปเสวยสมบัติของท่านท่านบอกโอ้โหสมบัติที่น่าตื่นเต้นมาก ใช่ไหมในส่วนจริงท่านก็กลับตอนนี้ท่านก็สวย ส, สมบัติของท่านอยู่แล้วซึ่งก็งดงามมากท่านท่านไม่ท่านคิดถึงพวกเราบัางบอกไม่เลยเลเอามากันกนึกๆอย่างนั้น น, น่ยตอนไม่รู้ท่านคิดถึงพวกเราบัางก็บอกไม่เลยใช่ไหมท่านถ้าปรารถนาไปเจอท่านท่านอยู่ชั้นดุสิตแต่ไปได้เหตุปัจจัยนะไม่ได้ไปได้วยความอยากไปได้เหตุปัจจัยยังคุยกับมาอำนาจเลยว่า ถ้าเป็นพระสมมติไปได้ต่ํากว่าโยมนี่จะต้องโดนโขกสาบเอาเนื้เหมือนโคปิกาเทพบุตรเนี่ยใช่ไหมเย้ตายแล้วพระที่เราเคารพนับถือทำไมมาเกิดเป็นเทพต่ําต้อยอย่างงี้แย่ยุ่งเล ย, ยตรงนี้ก็คืออันนี้ในสูตเนี่ยก็คือพลานาเบียเ็จแล้วพระบรมศาสดาก็ชี้โทษที่อุปมาเหมือนกับตัดงวงช้างก็เลยชี้โทษของกามว่ากามเนี่ย ถามว่าผลของทานเนี่ยไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกยังไงแล้วเมื่อได้เมื่อสร้างอัธยาศัยที่ผิดพลาดึ้นมาแล้วไปเสพติดขึ้นม า, แ ล, นมาแล้วจะให้โทษอย่างไรเป็นต้นเดี๋ยวจะให้ท่านหมามา ก, ก่าวในเรื่องของหมาทุกขากันทสูตรสรุปประเด็นต่างๆหนี้ให้ฟังเป็นต้นนะขออนุญาตพระอาจา ร, จจจ ร, รย์เจริญพรญาติโยมก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนาะที่มีโอกาสจะได้ ทำฐานให้ยิ่ ง, งขึ้นไปสำหรับอาตมาในขณะที่อาตมาได้มาฟังสมัยก่อนรู้นเนี่ยอาตมาก็รู้สึกว่าความเพียรไม่ค่อยมากเวลามานั่งฟังมันก็ ง, ง่วงเนาะง่วง ท, ง, ทงทั้งๆ้ที่เราก็พยายามจดจ้องอะเนะาะพระอาจารย์จะกล่าวอะไรจะพูดอะไรเนี่ยเราก็พยายามจดจ้องแต่ตอนนั้นมันไม่มีข้อมูลเนี่ย ฟังไปกเ็เรารู้แล้วโูเรียนมาขนาดนี้แล้วเนาะเราเรารู้หมดแล้วแหละเรื่องอย่างเงี้ยยิ่งเป็นเรื่องทานนี่ โ, โหเทศมาไม่รู้กี่รอบก็เรารู้แล้วไม่รู้จะฟังทําไมมานั่งก็มาหาวบ้างมานางสักดฟงโกบ้างในสมัยก่อนเนี่ยซึ่งเราไม่รู้เลยว่าการนั่งฟังน่ะ ถ้าเราพิจารณาดีๆโอ้โหเป็นการปฏิบัติอย่างดีเลยอาจมาได้จเจริญมหาทานในขณะฟังในปัจจุบันนี้นะซึ่งก็พยายามฝึกก็มีข้อมูลบ้างก็ได้จเจริญมหาทานให้ความปลอดภัยแก่พระอาจารย์ให้ความปลอดภัยแก่ญาติโยมแก่ทรัพย์สิน แก่ลูกแก่ภรรยาแก่ให้ให้คำสัตย์คำจริงให้ความสา ม, มคัคคีซึ่งเห็นประโยชน์ยังไงถึงตั้งใจฟังนั่งฟังทุกคำพูดอาตมาจะตั้งใจไว้ก่อนเลยทุกครั้งที่ที่จะเจริญกุศลเนี่ยอาตมาจะตั้งใจว่าอาตมาอยู่กับพระพุทธเจ้า จะมาอยู่กับพระพุทธเจ้าถ้าเกิดจะฟังธรรมจะออกจากปากใครก็าตามอัตมาก็จะคิดว่าได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือตัวเองจะกล่าวพระธรรมหรืออย่างที่อาจารย์อบอกว่าอัตมาท่องศีลให้ควรศีลมาเป็นสิบปีอัตมาก็คิดว่าให้คนอื่น ท่องให้คนอื่นฟังแต่มาคิดใหม่ในปีที่สิบนี่แหละคิดว่าเราจะฟังจากพระโอษของพุทธเจ้าโดยที่ออกจากปากของเรานี่แหละก็เป่งไปทุกครั้งแล้วก็คิดว่าได้ฟังจากพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาโอวาสต่อหน้าเราปูอาสนะไว้ในใจความรู้สึกแตกต่างกันนะโยมนะ ดังนั้นอาตมาที่มานั่งฟังก็เลยตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอาตมาก็เลยตั้งใจลุ้นแล้วก็ไม่หลับที่สําคัญคือไม่หลับเออมันมันมันเปลี่ยนแปลงได้จริงเกิดขึ้นได้จริงใจเห็นว่าศีลมันเกิดขึ้นในขนาดนั้นจริงๆ แล้วมันหมุนได้หมดเลยโยมปาติโมกมันหมุนได้มันเกิดขึ้นได้เลยนะสติเกิดขึ้นได้ยานะก็เกิดขึ้นได้ขันติเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเลยแต่แตกต่างจากเมื่อก่อนซึ่งเวลาขันติมันเกิดขึ้นเออขันติมันไม่ค่อยมีวันนั้นมันจึงอดทนไม่ได้ไงแค่แค่นั่งฟังอย่างเงี้ยก็อดทนไม่ได้แล้วมันก็ง่วงหาวบ้าง ขยับไปขยับมามันก็ยังขนาดทุบแล้วทุบอีกนะโยนะเมื่อก่อนเนี้ยที่มานั่งฟังเนะี่ยมันก็เอาไม่อยู่เพราะว่าจิตมันหลับไปแล้วจิตมันหลับร่างกายอยู่ไม่ได้เนะ่อาตมาเห็นประโยชน์อะไรนะหรือเห็นโทษอย่างไรนะอาตมาเห็นเห็นคุณนะเห็นคุณของกาม นี่ยจะเชื่อมโยงในมหาทุกขคันสุดเนี่ยโยมเห็นคุณของกรรมด้วยเห็นโทษของกรรมด้วยที่โยมบอกว่ารู้ชัดรู้ชัดนั่นแหละเห็นคุณของกรรมว่ามันมีคุณน้อยนิดเดียวเองโยมมีคุณน้อยนิดเดียวเองน้าอย่างเช่นอาตมาได้ไอเนี้ยมาเนี่ยอาตมาบูชาพระเจ้าไปแล้วนะโยนะไม่ว่าใครจะถวายมาก็บูชาพระเจ้าแล้ว ไอเนี่ยเป็นวัตถุกามแน่นอนใช่ไหมเราเห็นคุณมันอยู่นี่มีทั้งสีมีทั้ทงเสียงมีทั้งกลิ่นทั้งรสทําให้เรายึดติดได้แน่นอนแต่เราก็มองอีกมุมนึงว่ามันเป็นวัตถุทานได้มันเป็นวัตถุทานได้เราเห็นคุณของมันแล้วแต่คุณมันมีน้อยเดียวนิดเดียวเองคุณมีนิดหน่อยนะ แต่โทษมหาศาลเลยนะในมหาทุกข์ขันธสูตรในยมพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนั้นประทับอยู่ที่พระเฉตวันอารามของอนาถาวิธิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็มีการประารพถึงภิกษุจำนวนมากนะแล้วก็มากล่าวเรื่องเกี่ยวกับอัญญะเดธีธนะีก็มีการโต้อตอบกัน นะแล้วก็มากล่าวถึงคุณถึงโทษนะท่านก็บอกว่าท่านผู้มีอายุก็อะไรเล่าเป็นคุณอะไรเล่าเป็นโทษอะไรเล่าเป็นการสลัดออกจากกามทั้งหลายจะกล่าวถึงสามเรื่องนี้นะก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย อาตมาตั้งใจแล้วนะตอนนี้ว่ากำลังฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพิษสูตรทั้งหลายก็คุณมีห้าประการหาประการเป็นชไหนรูปที่พึงเห็นที่พึงรู้แจ้งด้วยตาหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าชอบใจน่ารักชักพาให้ใคร่พาใจให้กำหนัดแล้วก็เสียง พึงรู้แจ้งได้ด้วยหูกลิ่นพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูกรสพึงรู้แจ้งได้ด้วยลิ้นผลิตภัณพึงรู้แจ้งได้ด้วยกายหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าชอบใจน่ารักชัก่าให้ใคร่พาใจให้กำหนัดพิกสุดทั้งหลายการมคุณมีห้าประการนี่แหละนี่คือคุณมีห้าประการนี่แหละแต่คราวนี้มาดูโทษยม กามคุณนะเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นโทษของการรมนะกลุ่มบในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการประกอบศิลปะใดคือด้วยการนับคะแนนด้วยการคํานวณด้วยการนับจํานวนด้วยการถ่ายด้วยการค้าขายด้วยการเลี้ยงโคหรือสรุปแล้วก็คือประกอบอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยที่เรามาประกอบอาชีพการงาน ทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนี้เกิดมาจากกรรมเป็นเหตุนะโยมนะดังนั้นเมื่อมาผูกพันปุ๊บก็มาติดอีกนะโยมนะทำให้เราผูกพันกับสิ่งนั้นอีกแล้วก็ทำกรรมใหม่ต่อไปอีกนี่ท่านพียงบอกว่าเป็นโทษของกรรมเป็นโทษของกามข้อที่หนึ่งนะทิสูตรทั้งหลาย ถ้าเมื่อกลบุญนั้นขยันภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้โภคานั้นไม่สําเร็จผลเขาก็ย่อมเศร้าโศกลําบากลําพันตีอกข้ามควรถึงความหลงเหลื่อนว่าความขยันของเราเป็นโมคะหนอความพยายามของเราไม่มีผลหนอะที่สุดทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามนะเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกรรมเป็นเหตุ มีกรารเป็นเขามีกรารเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายอันนี้เป็นโทษของกรรมข้อที่หนึ่งเราจะเกิดขึ้นมาที่จะต้องมายึดติดกับอาชีพในปัจจุบันนี่แหละนยโยแล้วก็เป็นเหตุให้ก่อกรรมใหม่นอันนี้เป็นข้อที่1ส่วนข้อที่สองก็คือพิกสูตรทั้งหลาย ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียงพยายามอยู่อย่างนี้โพคะเหล่านั้นสำเร็จผลเขากับเสวยทุกขนะ์เมื่อได้รัพย์มาแล้วนะยยมนะเขากับเสวยทุกขโทมนัสที่มีการคอยรักษาพโพคะนั้นเป็นเหตนะุว่าทำอย่างไรพระราชาจะไม่ลิฟโจรจะไม่ป้น ไปจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดไปทายาิผู้ที่เขาไม่ชอบจะไม่นําไปนี่เป็นโทษของกามข้อที่สองนะอยู่นะเขานะเมื่อถูกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถูกทำลายไปแล้วนะเขาย่อมเศร้าโศกลำบากลำพันตี อ, อกคร่ำครวญถึงความหลงเลือนว่า สิ่งใดเล่าเคยเป็นของเราสิ่งนั้นกลับไม่เป็นของเรานะนี่พูดถึงความพัดภาคจากสิ่งที่เรารักไม่เอานะอันนี้ก็เป็นกามมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากกามทั้งนั้นเลยนะนี้เป็นข้อที่สองข้อที่สเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเขาเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุ แห่งการทั้งหลายนั่นแหละแม้พระราชาก็วิวาทกับพวกพระราชาแม้กษัตริย์ก็วิวาทกับพวกกษัตริย์แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาทกับพวกพราหมณ์แม้พวกข้าหบดีก็วิวาทกับพวกข้าหบดีแม้มารดาก็วิวาสกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกับมารดาแม้บิดาก็วิวาสกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกับบิดา แม้พี่ชายน้องชายก็วิวาสกับพี่ชายน้องชายแม้พี่ชายก็วิวาสกับน้องสาวแม้น้องสาวก็วิวาสกับพี่ชายเยอะแยะไปหมดเลยสรุปแล้วก็คือมาทะเลาะกันมาแก่งแย่งกันมาทำลายกันนั่นเองนี่ก็เป็นโทษของกามในข้อที่ส่ข้อที่สเนาะส่วนข้อที่สี่ก็คือ ฝูงชนต่างถือดาบถือโล่สอดแหล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายเมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างฝูงชนทั้งหลายต่างก็ถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดศรีรษะบ้างในสงคราม พาการถึงความตายไปตรงนั้นหรือทุกปางตายภิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นโทษของกามข้อที่4ส่วนข้อที่5คือฝูงชนถือดาบและโลดสอดแร่งธนูกลูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อลูกสอนถูกยิงไปบ้างถูกหอกพุ่งไปบ้าง ถูกดาบกวาดแกว่งไปบ้างชนเหล่านั้นก็จะถูกลูกศรเสียบถูกขอกเสียบถูกาศสตร์ด้วยมูลโคร้อนบ้างถูกสับด้วยคลาดบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในสงครามพากันตายหรือทุกปางตายนี้เป็นโทษของกรามข้อที่5ข้อที่6คือฝูงชนตัดที่ต่อบ้างมาปร้น อย่างกวาดล้างบ้างป้นเรือหลังเดียวบ้างดักพ้นในหนทางเปียวบ้างสมสู่ภรรยาของผู้อื่นบ้างพระราชาจับคนเหล่านั้นไปลงกรรมกรนะเราจะเห็นในคุกในตารางนะโยมว่าจะถูกตัดมือบ้างถูกตัดเท้าบ้างถูกตัดทั้งมือทั้งเท้าตัดหูโดนเคี่ยนด้วยหวายด้วยตะบอง ตัดจมูกตัดหูทำกรรมกรนะมีหม้อเคี่ยวน้ำส้มขัดเหมือนสังปากลาหูพุ่มเพิงมือไฟนะแล้วก็ริ้วสายนุ่งเปลือกไม้อันนี้ในในเป็นเป็นของพุทธพจนะเขาจะมีขยายอยู่ในอัตกถานะซึ่งเดี๋ยว จะขยายให้โยมดูว่ามันทุกทรมานแค่ไหนในสังสารวัตรนี้ชาตินี้ยังดีนะโยมนะว่าเราเกิดมาเนี่ยมาอยู่ในประเทศที่สมควรนะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแต่ในอนาคตไม่รู้นะโยมไม่มีใครจะมาการันตีได้ไม่มีใครจะมาบอกเราได้ว่าในอนาคตเราอาจจะไปเกิด บางบางบางคนไปเกิดในคุกก็มีนะโยมนะบางคนไปเกิดในคุกก็มทีทั้งทั้งที่ตัวเองไม่เคยทำผิดเลยแต่ไปเกิดในคุกบางคนไปเกิดนั้นเป็นนางฟ้ากำลังเก็บดอกไม้อยู่ดีๆลงอเวจีนันโยมไม่มีใครบอกได้เลยว่าในสมัยก่อนนู้นเราทำอะไรไว้แต่ที่แน่ๆ เคยทำมาแน่นอนอนันติยกรรมห้าเคยทำแน่นอนเคยทำกำหนักมาแน่นอนแล้วที่สำคัญเคยสะสมมิจฉาทิถิไว้ด้วยดังนั้นจะเกิดมาในศสาสนาอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยธรรมดามากดังนั้นท่านบอกในสูตรนี้ก็เพื่อให้เราได้ร้อนนั่นเองนะ ให้เราได้ร้อนให้เราได้สั่งเวทใจสลดใจแล้วก็รีบนะรีบซึ่งอาจะมาอ่านตรงนี้สามรอบรอบแรกก็รู้สึกร้อนร้อนแต่ไม่มากแต่พอมารอบที่สองรอบที่สามเนี่ยเริ่มร้อนมากขึ้นมากขึ้น น, นะโยนะเพราะว่าคุณมันมี นิดเดียวจริงๆโยมคุณของวัตถุกรมต่างๆเนี่ยมีนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งหลอกได้ถึงมีน้อยนิดแค่นี้แหละแต่หลอกได้เลยหลอกจนหลงซึ่งจะมาเดินเวลานั่งรถไปเนี่ยก็เห็นคนส่วนใหญ่ก็กำลังติดอยู่กาลังหลงหลงอยู่ในแหละซึ่งกลุ่มฟังธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่จะจะไม่ติดตรงนี้แล้ว เพราะว่าเพราะว่ามันมันจะกำจัดไปเรื่อยๆไงโยมเนี่ยในในขณะที่วิชาที่เราเรียนได้ศึกษาเนี่ยมันก็กำจัดไปเรื่อยนะโ ย, ยมนะอันนี้ไม่ไม่ติดมากแล้วไม่เหมือนคนทั่วไปที่เดินผ่านไปผ่านมา อ, นนอันนั้นติดมากเลยแต่มาให้ควรตลอดเลยว่านีหูโทษของกามมันเป็นอย่างนี้นะ เห็นเดินผ่านไปผ่านมาบางคนก็ยังสนุกสนานอย่างบางคนก็ประมาทอยู่โอ้โหจะมามองตัวเองแล้วมไม่ได้แล้วเราจะประมาทอย่างนั้นไม่ได้แล้วเวลาก็เหลือน้อยแล้วอไอเวลาที่มันเหลือน้อยนี่ความเจ็บความป่วยก็มาแทรกซะอีกน่ะมันยิ่งทำให้ลดลงไปเรื่อยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยมาเห็นโทษอย่างนี้แหละจึงตั้งใจฟังทำ ตั้งใจฟังเลยไม่ให้หลับอีกแล้วถ้าหลับนี่เกิดหัวใจวายขึ้นมาทำไงอะเนาะอ้าวต่อไปเป็นข้อต่อไปก็คือเพราะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิปการหนึ่งเพราะกรรมเป็นเหตุเพราะกรมเป็นต้นเขาเพราะกรมเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นและ ฝูงชนจึงต่างประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนโนโทุจริตเพราะโทษของกามนั่นเองโทษของกามนะเพราะกามเป็นเหตุจึงเกิดมาแล้วมาทำกายทุจริตวจีทุจริตมนโนโทุจริตต่ออีกคราวนี้พิสูจทั้งหลายสมณะหรือาพามณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัด คุณของกามโดยความเป็นคุณไม่รู้โทษของกามโดยความเป็นโทษไม่รู้ชัดการสลัดออกไปจากกลามทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นจักรอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองหรือจากชักจูงผู้อื่นเพื่อให้เป็นไปอย่างนั้นและผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้กามทั้งหลายได้ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะแต่ถ้ารอบรู้หรือรู้ชัดทางตรงกันข้ามอันนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ก็คือสามารถที่จะเห็นโทษของกลามเห็นคุณของกลามได้นะคราวนี้ถ้าเกิดท่านก็กล่าวพรรณนาถึงโทษของรูปบ้างคราวนี้นะท่านก็จะเชื่อมโยงว่าบุคคลเมื่อเห็น เขายกตัวอย่างนางสาวน้อยนะในโลกนี้โดยสมัยอื่นมีอายุแปดสิบปี9ก้าสิบปีนะตอนแรกเขายกตัวอย่างว่าเด็กหญิงนะที่เป็นเผ่ากษัตริย์เผ่าพรามณ์เผ่าข้าาบดีมีอายุระหว่างสิบ หหรือ16ปีนะไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นนางคนนั้นงดงามเปล่งปลั่งเป็นอย่างยิ่งใช่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ความสุขความโสมนัส เกิดขึ้นเพราะอาศัยความงามเปล่งปลั่งนี้เป็นคุณของรูปซึ่งมีแค่นี้เองนะซึ่งมีแค่นี้เองแต่คราวนี้โทษท่านก็พณ น, น, นาไวา้มากมายนะในข้อแรกก็คือหญิงสาวคนนี้เมื่อร่วงการผ่านไวัยไปก็จะมีอายุ80ปี90ปี100ปี โดยกำเนิดก็เป็นยายแก่เป็นโทษของรูปแล้วนะโยนะก็เป็นยายแก่สี่โครงคดดังกรเรือนร่างก็คดงอถือไม้เท้ากระงกกระเง่นเดินไปนะกระสรับกระสายผ่านวัยเยาวไปแล้วมีฟันหลุดผมงอกผมโกรนสีสะลานเนื้อเหี่ยว ตัวตกละนะสมัยก่อนนี่ลุกพึบพับสบายเลยโยมหน้าไม่มืดนะเดี๋ยวนี้ถ้าลุกไวเนะี่ยเป็นไงโยมหน้ามืดแล้วนะอาตมาคือเห็นบ่อยนะที่ที่เขามารักษาศีลแปดเนี่ยควรคลางตลอดกว่าจะลุกขึ้นได้เอาก้นขึ้นก่อนนะโยมนะส่วนใหญ่นี่ หกสิบบ้างเจ็ดสิบบ้างเนี่ยอไม่มีแล้วสาวๆจะมารักษาสินแปดมีแต่คนแก่ๆซึ่งหมดแรงทําความไม่ดีแล้วจึงมาทําความดีกันบ้างนะหมดแรงถ้าจะบอกหมดแรงทําความชั่วก็แรงไว้เนาะ <laughs> หมดแรงทําความไม่ดีแล้วจึงมาทําความดีกันแล้วนะ ก็คือหกสิบเจ็ดสิบมันหมดแรงแล้วอ่าอ่านั่นแหละคืออันนี้คือโทษของรูปในะยมนะซึ่งเราก็เห็นอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะจากผมขาวขาวเปลี่ยน <ผม S 1> เออขมขาวขาวตอนเด็กอะนะ <laughs> ผมดำๆก็เปลี่ยนมาเป็นขาวแล้วลองดูสิโย่เนี่ยเป็นโทษน ะ, นะข้อที่สองคือหญิงสาวคนนั้นแหละก็ป่วยบ้างมีอาพาธมีทุกข์เจ็บหนักนอนจมกองมูดบ้างคูดบ้างต้องให้คนอื่นพยุงลุกขึ้นต้องให้คนอื่นคอยประคองพิกสุตรทั้งหลายเธอจะสำคัญ ข้อนั้นอย่างไรความงามความเปล่งปังที่มีในก่อ น, นั้นหายไปโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเช่นนั้นพระเจ้าคะ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปต่อไปบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหลเป็นซากศพทิ้งไว้ในป่าช้า ตายหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างขึ้นอืดผู้พองมีสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างไหลยเยิ้มบ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีภาคจ่าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นโทษ ของรูปบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแลเป็นซากศพทิ้งไว้ในป่าชา้าฝูงกาลุมจิกกินบ้างฝูงแล้งลุมกินบ้างฝูงนกตารุมลุมกันจิกกินบ้างฝูงสุนัขลุมกันกัดกินบ้างฝูงสุนัข ก, กิ้งจอกลุม ก, กัดกินบ้างฝูงสัตว์เล็กๆ มีหนอนเป็นต้นหลายชนิดกลุมกันกินบ้างพิกษุทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรความเปล่งปลังความงดงามที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นโทษของรูปบุคคลเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นแลเป็นซากศพทิ้งไว้ในป่าช้ามีแต่โครงกระดูกมีเนื้อและเลือดติดอยู่ มีเอ็นติดอยู่มีโครงกระดูกปาสจากเนื้อเปื่อนเลือดมีเอ็นยึดอยู่โครงกระดูกปาสจากเนื้อและเลือดมีเอ็นยึดอยู่เป็นแต่กระดูกป่าสจากเอ็นยึดกระจัดกระจายไปในทิศต่างๆคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้ากระดูกแข้งกระดูกขากระดูกสะเอวกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครง กระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกไหลกระดูกคอกระดูกคางกระดูกฟันหัวกระโหลกไปทางหนึ่งพิสุจ์ทั้งหลายเธอจกสาคัญความข้อนั้นอย่างไรข้อนี้ก็เป็นโทษของกลามเช่นกันนะต่อไปบุคคลพึ่งเห็นนางสาวนั่นแหลเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีกระดูกขาวเปียบเหมือนกับสีของสังเหลือแต่กระดูกรวมอยู่เป็นกอง ตกค้างแหลมปีกระดูกผุแหลกยุ่ยเป็นผงภิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นโทษของกลางนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นโทษของรูปภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการสลัดออกไปจากรูปภิกษุทั้งหลายการกําจัดฉันทราคะในรูปทั้งหลายการกําจัดฉันทราคะในรูปทั้งหลาย กาละฉันทลาคะในรูปทั้งหลายใดนี้เป็นการสลัดออกไปจากรูปท่านก็มาอธิบายในอัตถกถาว่าการสลัดออกหรือการละกามฉันท้าเนี่ยก็ได้แก่นิพพานนั่นเองนะโยมนะเฉพาะเพราะฉันทลาคะในกามทั้งหลายย่อมถูกกําจัดและถูกละได้เพราะอาศัยพระนิพพานในนี้เป็นการสลัดออก ส่วนการกําหนดนะพระองค์ก็บอกว่าถ้าเกิดรู้ชัดคุณของรูปโดยความเป็นคุณรู้ชัดโทษของรูปโดยความเป็นโทษรู้ชัดการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริง พวกเหล่านั้นแลจักรอบรู้รูปทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจักชักจูงผู้อื่นเพื่อให้เป็นอย่างนั้นและผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้รูปทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ท่านก็กล่าวต่อไปเชื่อมโยงในปฐมฌานแล้วก็ทุทาาติยฌ า, านตติยฌานเจตุทยฌานนะว่าเรากล่าวคุณแห่งเวทนา ทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งในตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจ Tan, นเจตุตฌานท่านก็ก่าคุณของเวทนาก็ก็กล่าวไล่ไปเรื่อยว่าคุณของรูปเป็นยังไงโทษของรูปเป็นยังไงคุณของเวทนาเป็นยังไงและโทษของเวทนาเป็นยังไงนะท่านก็บอกว่าโทษของเวทนาก็คือมีความเป็นทุกข์มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความอนัตตานะเป็นโทษของเวทนาดังนั้นเนี่ย ในสูตรทุกสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เน่ยเป็นสูตรที่สามารถรวมลงในอริยสัจสีได้ทุกสูตรดังนั้นถ้าจดจําสูตรใดสูตรหนึ่งแล้วก็ไปหมุนนะไปหมุนก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญต่อจากอุปจาระหรือต่อจากฌานได้เลยซึ่งเราต้องการสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนานะ อันนี้ก็เป็นสำหรับมหาทุกขักขันทสูตรอัตมาจะาขยายตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้ เ, เห็นโทษของกามที่ยิ่งขึ้นไปนะโยมเรื่องการากรรมกรต่างๆที่ที่จะได้รับในอนาคตสำหรับบางคนอันตมาก็ได้ได้มาพิจารณาได้มาวิจัย ว่าในอนาคตเราต้องเจอแน่นอนวันนี้เราให้ควรไว้ก่อนเมื่อไปเจอกับเหตุการณ์จริงเราจะได้ทนได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ทนไม่ได้นะอยู่นะแต่มันจะมีธรรมสัญญาบ้างนะว่าเราควรจะพิจารณาอย่างไรถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้น ะ, ะที่บอกว่ากรรมกรที่วิธี หม้อเคี่ยวน้ำส้มอันแรกเลยนะก็คือเขาจะต่อยกระโหลกศีรษะออกแล้วเอาคีมปากนกแก้วเนี่ยขีบก้อนเหล็กแดงวางบนกระโหลกศีรษะด้วยเหล็กร้อนนั้นมันสมองก็จะเดือดล้นออกข้างบนนี่เขาเลยเรียกว่า หม้อเคียวนมส้มก็คือใช้เหล็กแดงๆ อ, อุ่นไปในสมองอเขาผ่าสมองออกเอากะโหลกะกะโหลกออกแล้วก็เอาของร้อนใส่เข้าไปเพื่อให้มันเดือดเหมือนนมส้มอันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสนะ ก, กจะ็จะได้ไปทดลอง แต่มันต้องเจออยู่แล้วโยมเพราะว่าในอดีตรเราได้สร้างมาไงโ ย, ยมได้สร้างมาได้สร้างมาดังนั้นถ้าเกิดสร้างเหตุมาไงก็คือประทุสร้ายหรือทำเหตุที่เป็นอกุศลดังนั้นต้องไปเจอแน่นอนแน่นอนนะโยมนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเราเห็นโทษของกามแล้วเราก็หนีสิโยมเราก็หนีอย่าให้มันไล่ตามทัน เพราะมันไล่หลังมาแล้วนะอยู่นะอ้าวต่อไปวิธีกรรมกรวิธีขัดสังนะ <c oughs> เขาก็จะลอกหนัง <c oughs> กำหนดเอาจอหูและโคนคอโดยรอบลวบผมทั้งหมดถลกถลกนะพันกับท่อนไม้ถลกขึ้น ให้หนังหลุดขึ้นไปพร้อมกับผมแล้วขัดกะโหลกศรีรษะด้วยก้อนกรวดหยบยาบล้างทาให้มีสีเหมือนสังเลยให้ขาวเลยลาหูมุกนะเป็นเหมือนปากลาหูเมื่อจะทำกรรมกร น, นั้นเขาก็จะใช้สิวเปิดปากให้อ้า จุดไฟเข้าไปภายในปากแล้วก็จะใช้สิวเจาะจากจอหูเข้าไปทะลุปากเลือดไหลออกเต็มปากนี่เป็นโทษของกามนะโยนะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นเขาหมูลนั่นเองต่อไป อันนี้เกี่ยวกับเรื่องกลามโดยเฉพาะเลยที่เราไปติดข้องกับวัตถุการามในโยมที่เราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุการามต่างๆหรือกิเลสกลาม เ, เรียกว่าลงทันแบบโชติมาลกานะพันทั้งตัวแล้วชุบน้ำมันจุดไฟามาไลาไฟนี่นะ ร้อนไหมเนี่ยโยมหัตมาอ่านสามรอบร้อนจัดแล้วเนี่ยพันมือทั้งสองข้างด้วยผ้าชุบน้ำมันแล้วจุดไฟเผาเนี่ยเรียกว่าหัตถปัจโชติกะอันนี้มือมือมือไฟน ะ, ะต่อไป ก, กรรมกรลิ้วสายก็คือ เมื่อทำกรรมกร น, นั้นเขาจะถลกแผ่นหนังตั้งแต่คอรั่วไปไว้ที่เท้าแล้วใช้เชือกผูกฉุดให้เดินเขาเหยียบแล้วเหยียบอีกที่แผ่นหนังของตนล้มลุกคุกคานต่อไปนุ่งเปลือกไม้นี่ลงทันนุ่งเปลือกไม้ก็คือเขาจะลอกแผ่นหนังเหมือนอย่างนั้นจนถึง แซเอลลอกตั้งแต่สเอลลงมาถึงเท้าทั้งสองข้างเป็นสองชุดนะยนะสองช่วงล่างส่วนบนห้อยคุมท่อนล่างเป็นเหมือนนุ่งผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆอันนี้เป็นโทษของกามอันนี้เป็นสูตรใหญ่นะเรียกว่ามหาทุขับขันธสูตร ไม่ต่อเพื่อเพลินเอามาก็ตามองไม่ค่อยเห็นไม่รู้เท่าไหร่เลยเท่าไหร่คงไม่ถึงร้อยกว่าร้อยกว่าเอ้ยไหนคงดูไปดูนิดนึง ก็ได้แล้วได้พอดีให้คออันนี้ออกหน่อยได้ไหมพี่เมย